130ยิ่งสงบอาการกายวาจายิ่งคล่องแคล่วว่องไวกายสังขารสงบระงับนั้นร่างภายนอกสริระสามารถมีการเคลื่อนไหวอยู่อย่างรวดเร็วแรงว่องไวได้เป็นสามัญของชีวิตทำงานปกติมีแต่กิเลสเท่านั้นที่มันหยุดอาการไป หรือไม่มีอาการอยู่ในรูปในนามต่างหากที่เป็นเครื่องชี้สัตว์จะว่าสงบระงับเฉพาะกายอันคือองค์ประชุมของรูปกับนามเท่านั้นที่ผู้มีสัมมาสติปฏิบัติสติปัฏฐานสามารถทำให้ไม่มีเกลเล่วมมีอิทธิพลอยู่ด้วยในสังขารของเรา ดังนี้จึงจะชื่อว่าเกิดสุขสงบภูปสมะสุขเท่ากับสุขแบบโลกตะซึ่งต่างจากสุขขันลิกะเท่ากับสุขแบบโลกียะการปฏิบัติดังสาธยายมาคร่าวๆนี้เป็นการปฏิบัติที่เรียกว่าปฏิบัติในปัจจุบันเห็นเห็นอย่างนี้จึงสามารถบรรลุพุทธธรรมได้ ต่าง ก, กันกับผู้หลงเพออยู่แต่กับฝันที่เป็นวิมานสวยเท่านั้นซึ่งผู้ปฏิบัติหลับตาเข้าไปปฏิบัติในพระวาังนั้นจะมีแต่อดีตกับอนาคตหากไม่สามารถอย่างถึงความจริงของกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมถึงขั้นบรรลุผลธรรมในปัจจุบัน ก็ยังอวิชชาหรือมิชชาริฐิอยู่